รันกล่าวกรรมของโสนทิ น, นะเทพระบุตอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25ห้ายอดประกอบด้วยเสาซึ่งแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดห้อยกระดิ่งเป็นแถวรอบมีทงที่แล้วด้วยทองและเงินปักสวยัยประดับด้วยอุทยานละวณนะ วิจิตด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสะโบกคารณีน่ายินดีมีภัยทีที่น่ารื่นรมเกลื่อนไปด้วยอักษรผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเป็นต้นพระเจ้าในมิราชท่อพระเนรเห็นวิมานแก้ผลึกนั้นมีพระหฤทัยยินดีตรัสถามถึงกุศลกรรมของอักษรเหล่านั้นแม้มาตลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์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 อยู่ในสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สํารวมและจําแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมามนบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าวิมานพยามหังได้แก่วิมานมีคําอธิบายว่าปราศาสคําวาา่าแก้วผลึกผลิกาสุได้แก่ฝาแก้วผลึกคือฟ้าที่สําเร็จด้วยแก้วมณีขาว คำว่าเกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐนารีวรัชคณากิ น, นังใกล้แก่เกลื่อนไปด้วยหมู่อับสรผู้ประเสริฐคำว่ารุ่งเรืองด้วยเรือนยอดกูตาคาระวิโรจิตังความว่าสะสมคือรวบรวมคือเจริญด้วยเรือนยอดอันประเสริฐทั้งหลายคำว่าทั้งสองอุพยังความว่า งดงามด้วยการฟ้อนรำและการขับร้องทั้งสองอย่างคำว่าบ้างเหล่ายากาจินี้ท่านกล่าวโดยไม่กําหนดก็จริงถึงอย่างนั้นก็พึงทราบเทพนารีเหล่านั้นว่าเป็นอุบาสิกาในกรุงพารณสีในการแห่งพระกสปะพุทธเจ้าได้รวมกันเป็นคณะกระทําบุญทั้งหลายซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังเหล่านั้น จึงถึงสมบัตินั้นลำดับนั้นมาตาลีเทพสารทีนั้นขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีวิมานหนึ่งแด่พระเจ้าในมิราชวิมานแก้วมณีนั้นประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคที่ราบเรียบสมบูรณ์ด้วยส่วนสูงเปล่งรัศมีดุดมณีบรรพดกึกก้องด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเกลื่อนไปด้วยเท พ, พบุตเป็นอันมาก พระเจ้าในมิราชท่อพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพพบุตรเหล่านั้นแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝากแก้วไพลทูลเสียงทิพคือเสียงเปิงมางเสียงตะโพลการฟ้อนรำขับร้อง และเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกน่าฟังเป็นที่รื่นรมใจเราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตลรีเทพสารถีเราขอถามท่าน เทพบุตบุเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูนพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแข่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพประบุบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นอุบาสกผู้มีศีลได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้าและสะพาน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 เป็นผู้สํารวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแก้วไผ่ทูลเวรุริยาสุได้แก่ป่าแก้วไผ่ทูลคำว่าประกอบด้วยภูมิภาคอุเปตังภูมิพาเคหิความว่าประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมคำว่าเสียงเปิงมางและเสียงตะโพน อาลัมพรามุทิงคาจะความว่าเครื่องดนตรีเหล่านั้นย่อมเปล่งเสียงในวิมานนี้คำว่าการฟ้อนรําขับร้องและเสียงประโคมดนตรีนัจคีตาสุวาธิตาความว่าการฟ้อนราและการขับร้องมีประการต่างต่างและการประโคมดนตรีแม่อื่นอื่นย่อมเป็นไปในวิมานนี้คาว่า อันเป็นไปอย่างนี้เอวังขตังได้แก่ถึงภาวะที่รื่นรมใจอย่างนี้คําว่าบ้างเหล่าเยเกจิแม้นี้ท่านกล่าวโดยไม่กําหนดก็จริงถึงอย่างนั้นก็พึงทราบเทพบุตรเหล่านั้นว่าเป็นอุบาสกชาวพารณสีในการแห่งพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รวมกันเป็นคณะธรรบุญเหล่านี้ จึงถึงที่พยสมบัตินั้นคำว่าได้ปฏิบัติปฏิปาฏยุงในคาถานั้นความว่าให้ถึงคือได้ถวายแด่พระอรหันตเหล่านั้นคำว่าคิลาณะปัจจัยปัจจจยังได้แก่ปัจจัยเพื่อคนไข้คำว่าได้ถวายอะทังสุความว่าได้ถวายทานมีประการต่างๆอย่างนี้ มาตาลีเทพสารถีนั้นทูลบอกกรรมของเทพพบุตรเหล่านั้นแด่พระเจ้าในมิราชด้วยประการฉะนั้นแล้วขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิช่น้อยประดับด้วยต้นไม้รุ่นซึ่งปกคลุมด้วยนาน า, นาบุพชาติล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำมีน้ำใสสะอาดเจยแจ้ไปด้วยฝูงวิหกต่างๆส่งเสียงร้อง มีหมู่อับสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพผบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่งนั้นนั่นเองพระเจ้าเนมิราชท่อพระเนรเห็นวิมานั้นมีพระหฤทัยยินดีจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพผบุตรนั้นแม้มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างจากฝาแก้วผลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้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 เป็นผู้สังวรและจำแนกฐานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านัชโช์แม่น้ำเป็นวจนะวิปลาสความว่าแม่น้ำสายหนึ่งไหลล้อมรอบวิมานคำว่าอันประกอบด้วยไม้ดอกทุมายุตาความว่าแม่น้ำนั้นประกอบด้วยต้นไม้มีดอกต่าง คำว่าในกรุงมิธิลามิธิลายังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรนี้เป็นครหบดีคนหนึ่งในมิธิลานครในการแห่งพระกสปะพุทธเจ้าได้เป็นธนบดีเขากระทำกุศลกรรมมีปลูกสวนเป็นต้นเหล่านั้นจึงถึงทิพยะสมบัตินี้ครั้นทูลบอกกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทำ แด่พระเจ้าในมิราชอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานแก้วผลึกแม้อีกวิมานหนึ่งวิมานนั้นประกอบด้วยกอพุ่มไม้รุ่นซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดยิ่งกว่าวิมานก่อนพระเจ้าในมิราชท้าพระเนธเห็นวิมานนั้นจึงตรัสถามบุพกรรมของเทพพบุตรผู้ประกอบด้วยสมบัตินั้น แม่มาตาลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ํางดงามด้วยการฟฝนรําขับร้องทั้งสองอย่างท่องแสงสว่างออกจากฝาแก้วพลึกมีแม่น้ําอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบและมีไม้เกศไม้มะขิด ไม้มะม่วงไม้สาละไม้ว่าไม้มะพร้าวไม้มหาดเป็นอันมากมีผลเป็นนิดความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเท พ, พบุตรุนี้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดํารักถาม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 ได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปในดิทีที่ส4ที่15ห้าที่แดแห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาน บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแม่น้ํานัดโชวความว่าแม่น้ําสายหนึ่งไหลล้อมรอบพิมานนั้นคําว่าอันประกอบด้วยไม้ดอกทุมายุตาความว่าแม่น้ํานั้นประกอบด้วยต้นไม้มีดอกต่างๆคํ า, ค ว, าว่าในกรุงมิธิลามิธิลายังความว่าข้าแต่มหาราชเจ้า เทพบุตรนี้เป็นคฤรหบดีคนหนึ่งในมิถิลานครวิเทหรัฐในการแห่งพระกสปะพุทธเจ้าได้เป็นธนบดีเขาทาบุญกรรมเหล่านี้จึงถึงทิพยสมบัตินี้